ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความคารวเพื่อเพื่อขอความเจริญในธรรมยมิเตศพุทธบริษัททั้งหลายขอโอกาสคณะสงฆ์ในการกล่าวพระธรรมนะครับเมื่อตอนบ่ายพูดในเรื่องของ พสูรเกี่ยวในเรื่องของการวิธีกำจัดโทสานะทีนี้ประเด็นที่อยากจะมาสนทนาก่อนในช่วงระยะเวลาประมาณชั่วโมงนเนี่ยนก็คืออยากจะให้เราทั้งหลายได้น้อมถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโครงการนี้เรามา ฝึกในการที่จะเจริญพรหมวิหารธรรมก็คือเจริญเมตตาทีนี้หลักการในการที่จะเจริญเมตตาเนี่ยก็คือมีอุบายวิธีบอกมาค่อนข้างหลากหลายนะหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์แกเราท่านทั้งหลายทําไม่นึกถึงจริยาวัดของพระพุทธเจ้าที่ทรงบําเพ็ญในการที่จะขจัดขัดเกลาทําโทสาจิตเนี่ย ให้ออกไปในหลายพระชาติที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าศีระวะในศีระวะชาดกก็ดีในคันติวารีดาบทธรรมปารักูปาลฉัตรทานตาชาดกเป็นต้นเหล่านี้ยล้วนแต่เป็นพระจริยาวัตรที่ทรงแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าวิธีการจะขจัดโทสะที่มันกุ้มรุมในใจนั้นน่ยจะขจัดได้อย่างไรจะชนะอย่างไร ก็อยากจะหยิบยกในชาดกซึ่งเป็นพระชาติต่างๆที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญมาในสังสารวัตรในกรณีการที่ขจัดโทสะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราเราก็สามารถขจัดโทสะนั้นให้อันตรธานให้หมดไปได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหลักในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้เอามาคข้ครวญ ว, วิจัยพินิษ์พิจารณา มองในลักษณะอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นในพระชาติที่เป็นคันติวาทีดาบดเนี่ยตรงนี้จะเล่าสักนิดหน่อยเพมันเป็นข้อเปรียบเทียบคือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคันติวาทีดาบดในครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินที่คลองแวนกาสีผู้โง่เขา่าใช้คาว่าโง่เขา่าเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีทิฐิแรงกล้า เรามองดูแล้วเนี่ยคนที่มีทิฏฐิเป็นกําลังดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดนะแต่จริงๆเป็นคนโง่เพราะคนที่มีทัศนคติที่ล็อกความเห็นตนเองแล้วไม่ยอมรับฟังความเห็นของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ปิดอันนี้เป็นเป็นความมืดบอดอย่างหนึง่งเพราะทิฏฐิเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของปัญญาคนที่มีทิฏฐิกล้าทั้งหลายเหล่านี้ก็คือมีโมหะเป็นกําลังนั่นแหละเพราะโมหะก็อยู่เบื้องหลัง พระเจ้ากลาภกก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละก็คือท่านเนี่ยโกโรธนี่อยู่วันหนึ่งก็คือท่านไปที่พระราชโุทยานท่านชอบเสวยน้ำจันทร์ก็คือเหล้านี่แหละชอบกินเหล้าแล้วก็มีนางสนมกำนันเนี่ยเป็นบริวารแวดล้อมในขณะที่เสวยน้ำจันทร์ไปมากขึ้นมาก ข, ขึ้นก็เมามกลุ่มนางสนมกำนันก็มาร้องลำมทำเพลงแล้วท่านก็หลับทรงบรรทมหลับไป หลับบนตักของนางสนมทีนี้หลังจากพระเจ้าแพดินเนี่ยทรงบรรทมแล้วเนี่ยกลุ่มนางสนมเหล่านั้นก็พากันออกไปเดินเล่นเพราะไม่มีกิจอะไรที่จะต้องมาไ ล, าล่ล้ำหรือร้องล้ำทําเพลงกล่อมพระเจ้าเพดินในคราวนั้นน่ยพระโพธิสัตว์ข้างเราที่เป็นดาบดก็เป็นเลือดสีก็มาอยู่หน้าที่อุทยานอย่งนี้ของพระเจ้าแผดินนี่แหละโดยกลุ่มอาหมาทั้งหลายเป็นผู้อาราธนามา ท่านก็นั่งประทับด้วยความสง่างามมีบุรีสลักษณะมีมหาบุรีษลักษณะที่งดงามใช่ไหมในพระชาติที่ทรงเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีความงดงามมากการที่ทรงบําเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีโดยเฉพาะทานบา ร, รมีก็มากโดยกําลังทรัพย์ศีลบารมีก็มากด้วยคุณภาพสรีระที่งดงามเนคมกคขมมากใจก็น้อมออกบวชใช่ไหมปัญญาบา ร, รมีความชานฉลาดสั่งสมมา วิริยบารมีก็แกล้วกล้าคติบารมีก็อดทนสัจจะบารมีก็มีความจริงใจพูดจริงทําจริงแล้วก็จริงใจอธิษฐานบารมีก็มีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวถ้าไม่บรรลุจุดหมายโดยเฉพาะสัมมาสัมพุทธญาณไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวด้วยเมตตาบารมีก็มีความเมตตาเป็นอัธยาศัย อุเบกขาบารมีตรงนี้เป็นบารมีที่สําคัญที่สุดบารมีทุกบารมีก็จะมาประชมที่อุเบกขาบารมีเพราะอุเบกขาบารมีเนี่ยเป็นเป็นสมตาเป็นความลงตัวของบารมีทั้งหมดเป็นดุญยภาพเป็นมัชิมาปฏิปทาก็มาจบลงตรงที่อุเบกขาบารมีนี่แหละซึ่งบําเพ็ญได้ยากอย่างยิ่งในพระชาติทุกพชาติเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นทรงบําเพ็ญบารมีทุกบารมีแต่จะเด่นบารมีไหนก็ว่าไปแต่ในเนี้ยท่านเด่นในด้านของขันติ บารมีคันติบารมีกับเมตตาบารมีเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวเป็นอโทสะฐานเดียวกันนะคือสภาวะของความอดทนและความไม่โกรธเป็นฐานเดียวกันแต่คันติบารมีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเด่นชัดตรงที่ว่าทนต่อความหนาวความร้อนทนต่อความลำบากตรักตราเป็นต้นเหล่านี้ค่อนข้างชัดมากแต่เมตตาบารมีก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะตัวองค์ธรรมองค์ตัวเดียวกันก็คือความไม่โกรธความไม่หงุดหงิดความไม่ ฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นต้นตอนนั้นท่านก็เด่นมากใช่ไหมพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยมากก็คือเขาจะเรียกกันมหาสัตว์เป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่โพธิสัตว์ในแปลว่าสัตว์ที่คล่องหนึ่งอยู่ในการที่จะตัดรู้มีจิตใจฝักใฝ่ขวนขวายในการที่จะต้องตัดรู้ให้ได้ mm hmm. ก็เรียกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็เลยแบ่งเป็นสามกลุ่มใช่ไหมสมาสัมโพธิโพธิสัตว์ระดับสมาสัมโพธิ ปเจกโพธิสัตว์แล้วก็สาวกกระโพธิสัตว์พวกเราทั้งหลายถ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อจะตัดสู้ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นโพธิสัตว์อย่างหนึ่งก็แปลว่าพวกข้ององการที่ตัดสู้ตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นต้องเข้าใจให้ชัดอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้นางสนมกำนันเหล่านั้นก็เห็นพอเห็นพระมหาศสสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยสง่างามงั้นก็พากันไปกราบแล้วก็ล้อมวงไปฟังธรรมท่านท่านก็แสดงธรรม ธรรมะที่ท่านแสดงคืออะไรขันติบรมีพูดถึงความว่าทนแบบตั้งรับเป็นยังไงทนแบบบุกฝ่าเป็นยังไงทนต่อความลำบากยังไงทนต่อความตรากตรำยังไงทนต่อความทุกทนต่อทุกขเวทนายังไงทนต่อความเจ็บใจยังไงท่านก็กระสาตยายเห็นต่างกันไหมทนต่อทุกขเวทนากับทนต่อความความเจ็บใจไอ้ตัวทนลำบากตรากตราเนี่ยวเรามีไหมมีไม่มี ทนต่อทุกขเวทนาที่บีบคั้นมีไหมทนต่อความเจ็บใจอ่ะมีไหมโอ้โหมีกันทั้งหมดเลยแล้วเอามาจะมาเล่าทําไมนี่มันมีหมดแล้วที่เล่าเนี่ยเพื่อต้องการอยากกระตกให้เราทั้งหลายได้บําเพ็ญบา ร, รมีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมอ้าดูพระพุทธศาสนาหน่อยว่าท่านพิทบท่านขันติของท่านเด่นยังไงหลังจากท่านกําลังแสดงเรื่องขันติบา ร, รมีอยู่นั่นแหละความ คันติศัพ์นี้ก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจไหมแสดงให้เห็นชัดว่าตัวคันติเนี่ยทักเกตยดดวนะทานบา ร, รมีเนี่ยไหมถ้าทานบา ร, รมีเนี่ยมีอะไรเป็นตัวกําหนดมีศีลเป็นตัวกําหนดทานของคนที่ทุศีลเนี่ยจะมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยศีลบา ร, รมีเนี่ยมีอะไรเป็นตัวกําหนดตัวกํากับไว้เนคขมมะศีลของผู้คลองเรือนกับศีลของคู่ออกจากเรือนจนต่างกันไหม ต่างกันมากศีลที่น้อมออกจากกลางกับศีลที่หมกมุ่นในกางไม่ต่างกันเลยคนละเรื่องศีลบา ร, รมีมีอะไรเป็นตัวกํากับทานศีลเนคขมะเออเนคขมะบา ร, รมีก็มีปัญญาใช่ไหมเป็นตัวกํากับบุคคลที่บําเพ็ญเนคขมะแล้วไปผิดทางมีเยอะไหมอาราลาดาบดูทักาดาบทเป็นต้นเป็นยังไงลุศีกลุ่มเนี้ขาดอะไรขาดปัญญาเป็นตัวกํากับนี่มันหลงทางอย่างนี้แหละ ฉะนั้นอาการที่จิตน้อมออกจากกามแล้วนะสังเกต ด, ดูที่ปัญจวคีทั้งห้าในกลุ่มนี้กลุ่มบําเพนเนฆะขมะมาทั้งนั้นแหละโกนธัญญาวปะป่าพัทธยามาหานามาอัศชิเนี่ยพอขาดปัญญาเป็นตัวนำเราหลงทิศหลงทางเลยบําเพนอตต ก, กิลามาฐานุโยคทันทีเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในยุคก่อนเนี่ยเขาต้องบอกกันเนฆะขมะบา ร, รมีต้องมีปัญญาบา ร, รมีเป็นตัวกํากับจึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากและปัญญาบา ร, รมีต้องมีอะไรเป็นตัวกํากับ วิริยะสิไหมไปสัจจะเร็วกว่นี่าว่าคนที่มีปัญญามากแต่เกียรติค้านเนี่ยประสบความสําเร็จไหมบางคนเนี่ยโอ้โหรู้หมดรู้รู้รูโอเคแล้วก็ไม่ขวนขวายไม่เพียรพยายามอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงต้องมีวิริยะบา ร, รมีเป็นตัวกํากับจึงจะมีผลมากมีอันดับสองมากวิริยะบา ร, รมีมีอะไรเป็นตัวกําหนดเป็นตัวกํากับเพียรแต่ฟงเป็นไงเพียนแล้วแต่โกรธเป็นยังไงต้องต้องมีอะไรกํากับอยู่ ขันติบา ร, รมีเป็นตัวกำหนดก็กํากับไว้ใช่ไหมจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากพอมีขันติเสร็จแล้วเนี่ยแต่ขาดสัจจะไม่จริงใจไม่พูดจริงทำจริงและจริงใจอ้าจบอีกใช่มสัจจะบา ร, รมีเนี่ยพูดจริงทำจริงจริงใจก็จริงแต่ขาดอธิษฐานนะก็ไม่ถึงจุดหมายอธิษฐานเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมพธิยาณจะไม่ถอนความตั้งใจ ถ้าไม่รู้บรรลุปัจเจกพระพุญาจะไม่ถอนความตั้งใจถ้าไม่บรรลุสาวกบารมีญาณหรือว่าสุตตพุทธะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจะไม่ถอนความตั้งใ จ, วว พ, ง จ, วงใจพวกเรามีไห้สัจจะอธิษฐานนะมีไหมมีไม่มีถ้าไม่สามารถทําเมตตาพรหมวิหารให้เกิดขึ้นจนได้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างจริงจริงยังจรงิและจะไม่หยุดความตั้งใจเป็นยังไงไหมมีบ้างไหมตรงนี้ เมตตาบารมีตัวอธิษฐานน่ก็มีเมตตาทั้งใจมั่นเนี่ยบางทีจิตมันจิตมันไม่โปรง่งไม่โล่งไม่เบาจิตมันไม่มีเมตตาเมตตาต้องคอยกํากับถ้าเมตตาอย่างเดียวเนี่ยเสียอีกนะต้องมีอุเบกขาเป็นตัวกํากับเพราะเมตตาเดี๋ยวเอียงได้นะอย่าลืมต้องมีดุญยภาพตัวอุเบกขาสรุปตรงนี้อามาจะพูดเรื่องขันติอย่างเดียวต้องเชื่อมมาเห็น จะได้ชัดทีนี้นางสนมกำนันเหล่านั้นก็พากันแวดล้อมพระราชาตื่นขึ้นมาเพราะตื่นขึ้นมาเนี่ยหานางสนมกำนันก็เห็นไปล้อมดาบอดอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงโกรธไม่โกรธอะไรเกิดขึ้นอ่ะกิเลสกลุ่มไหนเกิดขึ้นกับพระเจ้าแผ่นดินทําไมจึงโกรธ รู้ไหมทำไมถึงโกรธมีสองตัวนะกิเลสที่เด่นๆเนี่ยหนึ่งิศยาสองมัชชริยะเอามัชชริยะก่อนมัชริยะก่อนิศยาเห็นมัชชริยะนี่ห่วงใครห่วงบริวาร น, นี่บริวารของใครมีความรู้สึกว่าไอ้ดาบทขี้โกงเนี่ยมันมา เอาบริวารฉชนไปใช่ไหมมัชชริยะมีห้าใช่ไหมหนึ่งอาวาสามัชชริยะห่วงถิ่นห่วงที่อยู่พวกเราเรามีไหมห่วงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงอาวาสห่วงไม่ห่วงพระนี่ก็ต้องห้ามไงเวลาพระที่อยู่ในวัดวารามทั้งหลายเหล่านี้ก็<ๆ> เ, เลยต้องโอ้เนี่ยต้องประชุมเลี้ยงที่อยู่อาศัยกันมีพระเทละมาแต่ละทีก็ต้องโอ้กล้าสลับที่อยู่กาจะไม่ไม่ยึดเนี่ย เพาะทำลายกิเลสตัวนี้แหละกุลลมัฉริยะห่วงอะไรห่วงอะไรห่วงพวกพ้องก็ลกเล่นพรักเล่นพวกข้อไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมพวกของใครเนี่ยพวกของพระราชาใช่ไหมวันนามัฉริยะก็ห่วงเกียรติคุณชื่อเสียงไปลาภมัฉริยะก็ห่วงผลประโยชน์แล้วก็ธรรมามัฉริยะหวงข้อมูลผลิตผลของปัญญาเนี่ย เกิดหวงแล้วก็ลิษยามลิษยาที่ว่าเนี่ยดาบดทคนเนี้มันดีเกินเราได้ยังไงคนคนนี้ต้องมายกย่องเรามาสรรเสริญเราโอ้โหยคว้าดาบได้ก็ไปเลยปีไปเลยทีก็ไปชี้หน้าไอดาบดขี้โกงชี้หน้างี้โกรธมากโกรธจนตัวสัน่นแล้วก็บอกว่าเอ็งมีดีอะไร ท่านก็บอกว่าท่านสอนอสอนอะไรมีเดียอะไรท่านก็บอกว่าท่านชื่อว่าขันติวะทีดาวบัวท่านมีทธยาศัยหรืออุดมคติสอนเรื่องขันติธรรมก็คิดปว่าสอนคนอื่นทําได้ไหมยอาตมาสอนคนอย่างไรก็ทําได้อย่างนั้นเหมือนท้าไหมอ่ที่จริงท้าไหมไม่ได้ท้าพูดให้ฟังพูดให้ฟังเพื่อจะอธิบายในแต่คน ทิฐิเนี่ยคนโทสะเนี่ยฟังไหมไม่ฟังหรอกจะอธิบายก็หาว่าเถียง เ, เราเคยเป็นไหมเวลาโกรธลูกลูกจะอธิบายแล้วเถียงอยีกอะไรเงี้ยเป็นไม่เบนแล้วต่างจากพระราชาไหมหน้าก็ตอบออกวันนี้ฉันเป็นใครลืมมุจะเป็นอะไรลืมแสดงบอกเป็นแม่ท่องเลยไม่ก็เลยโกรธก็เลยให้ ถหารให้อมาตมาบอกว่าสอนคนอื่นเรื่องความอดทนก็อยากจะดูว่าอดทนได้จริงหรือเปล่าท่านก็บอกว่าท่านอดทนได้แต่ท่านพยายามจะอธิบายบอกว่าขันติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปธรรมมันไม่อยู่ที่แขนขาหน้าตาเป็นต้นหล่านี้นะก็ไม่ฟังก็เครียดเครียดท่านเนี่ยสีด้านนะด้านข้างด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างสองข้างหนึ่งข้างละสองพันครั้งเลือดทะลักเนื้อแตกหมดเลยพอเคลื่นเสร็จก็ถามบอกว่าไอ้ดาบทขี้โกงยังพอทนไหวไหมท่านว่าไงดูก่อนมหาบวชพิษอตมาภาพพอทนได้เนี่ยเจริญพรเนี่ยท่านจะบอกให้ฟังบอกว่า พระราชาเนี่ยไม่เข้าใจขันติแล้วขันติเนี่ยมันอยู่ในห้วงอาไทยอันลึกของอาตมาจะบอกจะบอกจะชี้แจงบอกขันติมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นสภาวะที่ทนได้ยอมรับได้ด้วยปัญญาคือมีปัญญาอย่างเห็นเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมแล้วก็จิตใจไม่สะเทือนสะทานไม่หวัว่นไหวประดุดังแผ่นดินแล้วฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะไปเจาะหา หรือไปควานหาขันติบา ร, รมีก็จามาได้เพราะไม่ใช่รูปธรรมก็ไม่ฟังก็ให้ตัดแขนบ้างตัดขาบ้างจริงๆขันติมันอยู่ที่แขนไหมมันอยู่ที่ขาไหมมันอยู่ที่ใบหูไม่อยู่ที่จมูกท่านพยายามบอกอย่างนั้นนะคือสั่งให้ตัดสั่งให้ทำยังไงจนพระราชาในี่โกรธจัดไม่รู้จะทำยังไงเพราะทำยังไงก็ไม่โกรธทำยังไงก็ไม่โกรธก็ ให้เท้าอ่ะกระทืบยอดอกกระทืบกระทืบเหมือนคนร้องไห้เหมือนคนเหมือนคนหมดสภาพแล้วกระทืบไปกรร็ร้องร้องไห้ไปแล้วก็ทิ้งดาบไม่รี้จะทำไงแล้วกระทืบยอดอกพอกระทืบเสร็จกระทืบกระทืบกระทือบเนี้ยนะแล้วก็เดินหันหลังเนยเดินหันหลังอามานก็วิ่งมารีบเอาขาเอาแขนมาต่อแล้วก็ประยุงดาบบดขึ้นมาบอกว่า ข้าแต่ท่านดาบดผู้เจริญบอกว่าอย่าทำให้เมืองนี้ต้องวิบัติเลยอย่าทำให้หมู่ฆ่าพระเจ้าต้องวิบัติเลยเป็นโทษของพระราชาท่านเดียวเท่านั้นพอรู้ฤทิตมากพระละดาบดเป็นคนที่มีสมาบัติแปดมีอภินญาห้านะสามารถที่จะทำเมืองให้จมทั้งเมืองได้นะมีฤทธิ์ขนาดนั้นนะท่านก็บอกว่า อ, อมัดเอย ในขณะที่พระราชาสั่งลงโทษอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยขอให้พระราชาจงพิพิพุธมีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้พระราชาจงเป็นผู้มีจงปลอดภัยจงมีอายุยืนคิดอย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้ทําความโกรธความเกลียดความความกลัวทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเลยว่ากันเถอะมีแต่ปรารถนาดีตลอดเวลาในขณะที่โดนประทุษร้ายปรารถนาดีต่อคนที่มาตัดแขนตัดขาเงี้ยเป็นต้น ดูสภาพจิตใจนะดูสภาพจิตใจของคนที่มีคันติบา ร, รมีนี่จะมีลักษณะนี้มีทั้งเมตตามีทั้งคันติที่ที่รวมอยู่ในกระแสชีวิตพอพระราชาเดินพ้นสายพระเนตรของเออพ้นสายตาของดาบดแผ่นดินก็แยกแล้วก็ดึงฟุบลงไปไฟก็แลบฟุบดึงพวดลงไปอยู่ในเวจีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถามว่า ดาบทเนี่ยคันติวัตีดาบทเนี่ยบอกว่าขอให้พระราชาจงปลอดภัยขอให้พระราชามีอายุยืนขอให้พระราชาอย่าได้เป็นอันตรายอันนั้นก็เป็นสภาพจิตของท่านที่อบรมมาดีแล้วแต่กรรมของพระราชาก็คือกรรมของพระราชานะเมื่อทําแล้วเนี่ยบาปหนักจัดแล้วไปประทุษร้ายแก่ผู้มีบา ร, รมีระดับนั้นมีจิตคิดประทุษร้าย ลองคิดดูเถอะว่ามันเหมือนเรายืน อ, ออกไปข้างนอกตอนกลางวันแล้วถลึงตามองดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พังหรือว่าตาพังเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นไปเล่นกับคนมีบา ร, รมีคนมีบุญเนี่ยมันมีมันมีปัญหากับตับตนเองแบบนี้และที่สุดจริงก็โดนไฟก็แลบเลียรกระชากลงไปในเวทีนี้เป็นตน้นนี่คือคือขันติ ถ้าเรามองดูว่าเออเนี่ยพระโพธสัตว์เป็นพระราชาก็ดีหรือตลอดถึงเป็นนักบวชก็ดีที่อดทนได้เนี่ยก็ก็สมควรแก่เหตุใช่ไหมเพราะเป็นนักบวชเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม้แต่เป็นเด็กน้อยสมัยที่เกิดมาเป็นธรรมปารากุมารตอนนั้นยังนอนแ บ, บ, บ่เบาอยู่เลยนะลองดูดูว่าตอนที่ท่านเกิดเป็นธรรมปารักุมาร น, นั้นพระโพธิสัตว์ ไม่ได้เป็นบนรรปะชิตด้วยและเป็นเด็กด้วยแล้วตอนนั้นมาเกิดในคันในจูรธรรมปาลราชาดกพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นธรรมปาลกุมารทรงเป็นทารกยังนอนหงายอยู่ในบาะถูกพระเจ้ามหาปตาปักที่เป็นพระราชบิดาตอนนั้นโกรธมากพระเจ้าองค์เนี้ยพระเจ้าเปดินท่านเนี้ยเป็นคนขี้โกรธคือเสด็จมาแล้วเนี้ยพระมเหสีภรรยาเนี่ย มัวแต่โอลูกเล่นกับลูกลูกน่ารักไนงะแล้วไม่รู้ขึ้นมาต้อนรับนึกในใจว่าไอ้เด็กเนี่ยเด็กอัปปีขอไปเนี่ยโอ้โหขนาดเด็กๆเนี่ยมันยังเป็นที่ตึงตาตึงใจแก่แก่พระมิจีและแกะบุคคลทั่วๆไปเล่นเราเสด็จมาไม่มีใครสนใจเลยถ้าคืนปล่อยโตขึ้นไปเนี่ยเราจะวิบัติแน่นอนฉนัน สั่งเดียวนั้นเลยให้ค่าให้ราชบัุตมาถือดาบมาบอกให้ตัดสียตาไอเด็กคนนี้เสียที่เด็กที่แบบเบเนี่ยพระบริษัตนะท่านคิดยังไงรูไ้ไมอาจาคิดยังไงตอนนั้นแม่ร้องไห้ไหมร้องโอ้โหแทบน้ำตาจะเป็นสายเลือดร้องห้ายอย่างมากตอนนั้นเด็กคือพระบริษัตที่ท่านนอนแบ บ, บ่อท่านคิดว่า หนึ่งท่านไม่โกรธพระเจ้าเป็นดินเลยไม่โกรธพ่อเลยที่สั่งให้ฆ่าให้ตัดศีรษะของเราและก็วางท่าทีทางใจแบบมั่นคงไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่โกรธราชบุรุษหรือบุคคลที่ถือดาบกำลังจะฆ่าและก็ไม่โกรธไม่ทุกใจในขณะที่แม่กำลังร้องไห้เหมือนน้ำตาจะเป็นสายเลือดและก็ไม่วางท่าทีทางใจวางใจเป็นกลางกับตนเอง ไม่กลัวไม่สะทกสะานไม่หวั่นไหวกับการที่ตนเองจะถูกตัดสีสัะการที่ท่านวางใจกับคนทั้งสี่เป็นสีมะสามเพทก็คือทำลายเขตแดนเลยให้มีเมตตากับคนทุกคนและก็เมตตาตัวเองด้วยรักตนเองอย่างไรก็รักเสด็จพ่ออย่างนั้นรักเสด็จรักเสด็จพ่ออย่างไรก็รักเสด็จแม่อย่างนั้นรักเสด็จแม่อย่างใดก็รักเพชฆาต ราชบุรุษที่กำลังถือดาบจะฟันสรุปก็คือมีความรักกับตนเองเนี่ยเท่ากับบุคคลอีกสามคนทำความรักให้เสมอกันเลยไม่มีสูงต่ำเลย <c oughs> ไหวไหมเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนี้นี่ขนาดเป็นเด็กใช่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นดาบทด บำเพ็ญตะบะมามากมีตบะรุ่งเรืองอยอมรับได้นี่ในพระชาติที่เป็นเด็ก น, น้อยนอนแบะเบา ก, ก็ยังตั้งมั่นในเมตตาขนาดนั้นเราท่านทั้งหลายเวลาจะเกิดความโกรธเกิความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาให้เอาจริยาวัดเหล่านี้เอาจริยาคุณเหล่านี้มาคิดมากๆขนาดพระโพธิสัตเป็นเด็กยังไม่โกรธเราโตขนาดนี้จะไปโกรธไม่คนแก่เราเลยอย่างเงี้ยนะจริงไหม ถ้าไปคิดอ่ยพระโพะธิสัตว์ท่านเป็นนักบวชนี่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมามากนี่ท่านก็ไม่โกรธได้แต่เรายังเป็นฆราวาสอยู่เอามาดูตอนเป็นเด็กว่าไงฉั้นพอมาดูตอนเป็นเด็กเนี่ยความโกรธของเราจะหายไหมคิดถึงจริยาวัดนี้จะหายไม่หายฉะนั้นถ้าใครจะมาปัสสาวร้ายเรามาตีเรามาตบเรามาเข็นฆ่าเราเนี่ยเราจะได้วางท่าทีทางใจจะได้ไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นได้พอไหวยังเอาเทนี้พอหรือยังเนี้ย พอไม่พอยังไม่พอในพระชาติที่เป็นพญาช้างฉัดทันอันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้โหนี่หนักใหญ่โอ้โหเนี่ยอันนี้เอาละเป็นดาเป็นพระเจ้าเผดินเป็นนักบวชใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเด็กน้อยอันนี้โอ้โหหนักไปกว่า น, นั้นอีกคือเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยเดี๋นี้ พญาช้างฉัตรทันเนี่ยมีขงช้างที่เป็นบริวารเนี่ยประมาณ8 00พันเชือกถ้าจำไม่ผิดนะนี่อาจจะแป0 0 0ื่นหรือแปด0ันจำไม่ได้นั่นแหละอยู่ประมาณนี้แหละมีภรรยาสองเนช้างตัวผู้ก็เรียกช้างพังหรือช้างพายพังหรือภายฮะพายใช่ไหมแสดงว่าเก่งเคยเลี้ยงช้างเลยช้างตัวตัวเมียก็เรียกอะไร ช้างพังใช่มเออช้างพังพระโพธิสัตว์มีภรรยาน้อยและภรรยาหลวงภรรยาหลวงชื่อว่ามหาสุพธธัทาเทวีส่วนภรรยาน้อยชื่อว่าจูรสุภัทาพระยาช้างฉาตรทันเนี่รักทั้งคู่รักทั้งคู่แต่ตามธรรมดาเนี่ยช้างพังก็คือช้างตัวเมียเนี่ยก็คือเพศเมี ย, ยคือเพศหญิงนั่นเอง ปกติจะมีจิตใจแง่งอนไหมผู้หญิงเป็นคนที่จิตใจมั่นคงหรือไม่มั่นคงถามหน่อยผู้หญิงเนี่ยโรเลหรือไม่โรเลไม่โรเลนะ <c oughs> ยอมว่าผู้หญิงโรเลหรือไม่โรเลมีผู้ชายนิดเดียวโรเลไมมีภร <c oughs> รยามาด้วยปา <c oughs> โอถ้างั้นถ้างั้นไม่ตอบแล้ว เดี๋ยวต่อไปแล้วเดือดร้อน้ะใครที่ไม่มีภรรยามามีไหมยอมผู้หญิงโรเลหรือไม่โรเลไม่โรเลเลย ท, ที่จริงผู้หญิงมีความโรเลห้าอย่างเดี๋ยวยอมจะเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยมจะโกรธพระแต่คงไม่โกรธหรอกเพราะว่ายอมจเจริญเมตตาเลยถ้าโกรดแสดงว่าเมตตาอ่อนแอ เมตตาแข็งแรงแล้วนะหนึ่งโลเลเรื่องอะไรโลเลเรื่องการเดินทางจริงไหมโรเลเรื่องการเดินทางสองโรเลในเรื่องเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้หมนุหมนวนมีรู้จะใส่สามโลเลในเครื่องประดับจริงไหมไม่มี สี่โลเลในเรื่องอาหารจริงไหมจริงเนี่ยหโลเลในเพศตรงข้ามนั่นทำท่ามองตาขวางเลย <c oughs> คืออย่างนี้คนที่มีอัธยาสัยเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวนานแล้วฟุบมาเกิดเป็นชายเนี่ยนะก็จะมีอัธยาสัยโลเลเหมือนกัน พอไม่แข็งแรงทางด้านจิตใจฉะนั้นความโรเลเนี่ยเป็นเรื่องปกติจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ผู้ชายบางคนเนี่ยมีสภาพใจที่โรเลก็ใกล้จะอัถ้าตายอาจจะอัตภาพนั้นมีโอกาสเป็นหญิงก็สูงนี้เป็นต้นฉะนั้นความเป็นมาตุคามความเป็นหญิงทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันสลับสับเปลี่ยนมาตลอดเวลาถ้าพูดอย่างนี้ยอมสบายใจไหมอันนี้พูดตามความเป็นจริงเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นความโรเลเป็นอย่างนั้น จูราสุผัส ธ, ธามหาสุภัฏ ธ, ธาเนี่ยนะถึงเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงของพระโพธิสัตว์พญาช้างฉัตรทานมีอยู่วันหนึ่งพญาช้างฉัตรทานก็เข้าไปในดงรังก็เห็นดอกรังเนี่ยนะพอเห็นดอกรังสวยๆขึ้นมาก็ใช้กระพองกระทุ้งต้นรังให้ให้ดอกรังมันล่วงลงมาดอกรังก็ล่วงมาโปรโยถูกที่หลังของภรรยาหลวงมหาสุภัฏ ธ, ธา ชื่นใจเหมือนให้ดอกไม้ในขณะเดียวกันมดแดงหลังมดแดงก็ล่วงมาถูกภรรยาน้อยโกรธไหมถตาเป็นยอมยอมจะโกรธไหมเป็นเรื่องสมควรโกรธหรือไม่สมควรโกรธแต่คนเนี่ยคิดน้อยเนื้อต่ำใจอยู่แล้วแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือไปเอาดอกบัวมาให้อะไรเงี้ยโอ้โหฝังใจมากเลยเนะี่ย ฝังใจแล้วโกรธเกลียดจุฬสุภธาที่นะี่นะนึกในใจว่าเราจะต้องฆ่าพญาช้างจะทันให้ได้คิดแล้วแต่นี้คือไอตัวปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตัณหามันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังมีทิฏฐิอยู่เบื้องหลังมีมานาอยู่เบื้องหลังนะบางคนนะี่ยคือเอาปัญญาไปรับใช้เช่นเช่นอยากจะได้ เพราะอยากจะได้บ้านอยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้รถนสมมุติเนี่ยนะอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ไอความอยากเป็นตัณหาก่อนหลังจากตัณหาดับไปแล้วเนี่ยไอปัญญาไปคิดแล้วทำยังไงนะหาวิธีการในการที่จะไปได้ทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ได้สถานะทั้งหลายเนี่ยปัญญาอย่างเนี้ยเขาเรียกปัญญาเนี่ยไปรับใช้อะไรรับใช้ตัณหา ฉะนั้นคนที่ฟังข้อมูลมากๆอย่างพวกเราเนี่ยมันบางครั้งก็อันตรายต้องระวังนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัดถ้าเข้าใจกรรมและผลของกรรมชัดเสียเนี่ยอันนี้มันจะบรรเทาไอ้ตัณหาหรือทิฐิเหล่านี้ได้นางจุรสุภัทาเนี่ยมีข้อมูลพอสมควรที่พุทโพธิศัตว์เนี่ยพระยาช้างฉัตรทันเนี่ยดูแลพระปัเจรพระเ จ, เจ้าห้าร้อยรูปแล้วก็พาเหล่าบริวารเนี่ยไปหาผลาผลคือดอกมาเ อ, อิก ต้นผลไม้ทั้งหลายเลยเนะี้ยถวายถาวายแก่พระปเจริพระเจ้จาห้าร้อยรูปเป็นประจำถ้าเป็นวันพระก็สมาทานอุโบโสถศีลด้วยนางจุฬสุพาทาก็ได้จังหวะตรงเนี้ยก็เลยคิดวางแผนขึ้นมาเลยตัเนี้ยตนเองก็ไปหาะลาผลด้วยพรานีและบรรยงนี่แหละไปเก็บะลาผลผลไม้มาเบ็ดเสร็จปุ๊บก็ตั้งจิตเลยทีเนี้ยตั้งจิตอ ถวายสมาทานศิกขาบทเลยนะสมาทานอุโบสถทศรีนเลยนะถวายเนี่ยพอถวายเสร็จปุ๊บตั้งจิตเลยตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยด้วยผลบุญเนี่ยขอให้ตนเองถ้าตนเองละ จ, จะอัตภาพของความเป็นนางช้างแล้วเนี่ยนะให้ไปเกิดเป็นธิดาของมหากษัตริย์ของราชาหากษัตริย์แล้วให้มีรูปงามมีความงดงามมากจนสามารถงดงามจนพระเจ้ากรุงพลาณาสีเนี่ย เห็นแล้วรักเห็นแล้วในร่มหลงว่างันเด้อแล้วก็เป็นอย่างนี้พอหลังจากอธิษฐานด้วยด้วยกำลังอธิษฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่กินอาหารเล ย, ยเนี้ยระลึกถึงทานระลึกถึงศีลของตนเองอะ่ะไม่ยอมกินแล้วปล่อยผอมผอมๆอมอม อ, มอมเลยทียเนี้ยนเข้านะเขาก็ล้มคือตายแต่ด้วยด้วยกุศลนะ ที่มีทานกุศลและศีลกุศลที่ตนเองเนี่ยเป็นอารมณะเป็นอารมณ์นะในมรณาสถานการณ์ไปรับอารมณ์เนี่ยก็จุติคือตายก็ไปปฏิสนธิเป็นลูกสาวของพระเจวินดินด้วยอีกเมืองหนึ่งตอนนั้นน่ะเวลาศรีเป็นมหาณาธิ์นี่ฟานมาฟ้านตาสีเนี่ยพอไปเห็นมาลักจริงๆด้วยก็ไปขอมาอายุยังไม่มากด้วยสิบหกสิบเจ็ดนี่มาอยู่ด้วยโหยหลงรักหลงรักมากเลย หลงลักนี่แล้วนางตั้งใจอธิษฐานเลยนะด้วยกําลังสีอุโบสถศีล ข, ของเธอเนี่ยขอให้เลึกชาติได้ขอให้มีสติปัญญาในการคิดอ่านและวางแผนมาจัดการเนี่ยพญาช้างจัดทันได้โอ้ยเป็นไปตามนั้นหมดเลยนะยอมอย่าทําในเรื่องเอาเอ า, เอาอกรารอะไรที่ฐานไปอา ฆ, ฆาตพยาบาลน้นมันซวยไหนจะอบอกเรื่องซวยฝังมันซวยยังไงก็เรียกว่าปัญญาไปรับใช้ทิฐิ ไอ้ทิฐิมันเกิดก่อนตันหามันเกิดก่อนเนี่ยมานั่งเกิดก่อนต่อมาพอไอ้ตัวทิฐิมันดับไปแล้วปัญญามันมาแล้วมีปัญญาคิดอ่านอยากจะทําอะไรต่างๆเหล่านี้มันทํามันได้อย่างเงี้ยมิตรัญหาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะว่าเราอยากจะได้บ้านสวยๆเนี่ยบำพังตันหามันมันไม่มีวิธีการหรอกแต่ปัญญาเนี่ยมีวิธีการจะจัดการยังไงจะทํำยังไงใช่ไหมแต่มีตันหาความทยานอยากกากับอยู่เบื้องหลังนี้เป็นตัว ที่ที่พอนางได้สมปราถนาอย่างนั้นแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยนางก็เสียแซงและเล่าถึงรวบยัดรัดเนี่ยเสียแซงแกล้งป่วยแล้วแกล้งป่วยแล้วก็ไม่กินอาหารสามีก็มาดิเนพระเจ้าแผ่นดินก็มาถามว่าน้องเป็นอะไรไปเนี่ยเยก็บอกว่าบรรทมเอลับไปฝันแพ้ท้อง ว่าอาการแพ้ท้องจะหายได้ต้องได้งาของปรญญาช้างชัดทันโหที่ป่าหิมะพานนีนน่ก็เลยก็เลยทุกใจพระราชาก็บอกทาทุกใจทำไมไม่มีอะไรที่เธอน้องอยากได้ที่จะหาให้ไม่ได้ก็โอโลมปฏิโลม ก็เลยสั่งพระราชาก็เลยสั่งให้ประชมุมให้ในายพานทั้งประเทศนะมาประชุมรวมกันโอ้โหมาตั้งห7เจ็ดพันคนนะนางก็โอ้โหฟื้นไข้ขึ้นมาทันทีเนะี่ยมองไปที่ช่องหน้าต่างดูดูเป็นคนฉลาดด้วยใช่ไหมเพราะสัง่งกุศลมาดี น, ะนางชื่อว่านางสุภัทธาเทวีเหมือนกันนะมองมองมองไปไปเห็ น, หนในนายพานคนหนึ่งอนะ่ะโอ้โหหน้าตาน่าเกลียดผมหยิกหน้าก็พบตัวดเนี่ยนะ Icana, ตัวสูงด้วยดำด้วยแข็งแกร่งตามมือเท้าทั้งหลายเลยเนี่ยกักกระดูหน้าตานี่โหดร้ายสุดๆก็คือชื่อว่านายพานโสุดอไอ้เจ้านายพานคนนี้ก็คือเป็นอดีตชาติของพระเทวทัตนี่แหละมีกำลังเท่ากับช้างห้าเชือกย่าลืมคิดดูดิเอาทำไมทาไมพระเทวอดีตพระเทวทัตทำไมแข็งแรงขนาดนั้น ไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวมีปัญญานะีในพบที่ไม่เจอพระบริษัตร์นี่นะจะบําเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษเลยนะแต่ถ้าพบใดไปเจอพระบริษัตวที่ไหลสวยทุกทีอะไรสวยเพราะอะไรรู้ไหมกิจที่ตั้งลิษยาเขาไว้หรือโกรธเขาไว้คิดอาฆาตพยาบาทเขาไวนะ้เนี่ยมันกระทุ้งนะยอมอยากจะสวยอย่างพระเทวทัศน์ไหมจะบอกวิธียอมลองผูกอาฆาตนะยกตัวอย่างเช่นนะอาฆาตหลวงพ่อเจ้าวาดสมมติสมมุติ บอกว่าเจอกบอกว่าจะขออาฆาตพยาบาทท่านผู้นี้ทุกทุกอัตภาพจะจองล้างจองผานประทุศร้ายท่านพูนี้ในทุกทุกอัตภาพที่เจอตั้งอย่างนี้เลยอมนะถ้ายอมตั้งอย่างนี้ถ้าไม่เจอเสียก็โอ้โหบำเพ็ญกุศลเต็มที่แต่พอเจอขึ้นมาปุ๊บทนไม่ได้อยากจะฆ่าอยากจะประทุสร้ายอยากจะอยากจะกระทำไม่ดีไม่ร้าย นี่ยไอ้จิตที่ฝังเอาไว้ถึงแม้กระแสของรูปกระแสของชีวิตมันแปลเปลี่ยนไปก็จริงอยู่นะแต่ไอ้สัญญาเนี่ยมันจํามันได้นะหน้าจะเปลี่ยนยังไงแต่เห็นยอมเคยไหมว่าคนบางคนพอเห็นปั๊บยมเกลียดเลยเคยไป็นนถามจริงนั่นพยักหน้าเลยแสดงว่าจะแสดงว่าอาฆาตคนไม่ธรรมดานะี่ยอมเนี่ยแล้วเห็นพบรักเลยมีไหมไม่ค่อยมีเลยโอ้โหตายแล้วน่ากลัวไม่น่าอยู่ใกล้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไอาการที่เพราะฉะนั้นแหละจึงต้องมาเจริญเมตตานะแล้วตั้งอย่างนี้ว่าเราจะทําความรักความปรารถนาดีเอื้อถอในกระแสะชีวิตของท่านผูน้นี้แม้จะไปเจอในที่ใดหน้อัตภาพใดขอให้เมตตาของเราจงเกิดอยู่ตลอดกาลและตลอดไปนะจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่าให้มีโทสะจิตเกิดเลยอย่างนี้เป็นต้นเนียทีนี้พอพอได้ในพานคนนี้มาก็เรียกเข้ามาเลย ก็บอกนางนี่ก็บอกบอกว่าเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ไม่ได้ฝันแต่เราระลึกได้เรามีความอาฆาตพยาบาทในพยาช้างฉัตรทันเห็นท่านนี้เราตื่นเต้นท่านมีมีศักยภาพฆ่าพยาช้างฉัตรทันได้แน่ก็เลยพรณนาวปยาช้างฉัตรทันเนี่ยมีฤทธ์เหาะได้ด้วยนะ แล้วมีกําลังมากด้วยแล้วชานฉลาดด้วยยังมีช้างตั้งแปดพันเชือก8ปดห0ื่นเชือกเป็นบริวารด้วยนะห้อมล้อมด้วยพอพูดอย่างนั้นในเจ้านายพานโสนุดรอนเนี่ยซุดเลยบอกโอ้ไม่เอาไม่ไหวไม่อยากไปแล้วเหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนะแต่นางก็กระซิบบอกบอกพญาช้างฉัตรทันมีจุดเด่นมากแต่จุดด้อยก็มีบอกหมดเลยวิธีจุดด้อยอยู่ที่ไหนคือเป็นช้างใจบุญ เห็นเห็นผ้ากาสาวพัดและใจอ่อนแล้วเป็นบุคคลที่มีเมตตาไม่กล้าฆ่าท่านแน่แม้มดยังไม่ฆ่าเลยเป็นช่างมีศีลเพียงแต่ป้องกันไอ้บริวารเท่านั้นแหละถ้าบริวารเนี่ยแต่เรามีวิธีว่างั้นนะแล้วก็ไปสั่งหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเบเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้รางวัลบอกว่าถ้าทํางานนี้สำเร็จนะ จะมีรางวัลจะเป็นเจ้าปกครองไอ้หมูม่บ้านเท่าไหรเท่าไรให้ให้รางวัลเงี้ยแล้วก็ดีใจเล ย, ยเนี้ย้ในพานโซนุ ด, ดอนอเียนแก่ราบสการะแล้วก็เตรียมเดินก็เดินทางใช้วเวลาเดินทางมันเจ็ปีกว่านะเจดปีต้องเพียนไหมเนี่ยอย่างนี้เพียนผิดหรือเพียนถูกนี่แหละเพียนไปฆ่าคนเนี่ยเพียนไปนี่แหละ ใช้เวลาแล้วเข้าไปถึงในป่าหิมพานต์เนี่ยก็ไปเห็นตอนที่ช้างไม่อยู่ก็ดูว่าที่ช้างหยู่ยังไงยังไง ร, รู้แล้วว่าคํานวณพื้นที่ว่าเนี่พยพญาช้างฉัาดทันยืนอยู่น่าตรงเนี้ยก็ไปขุดหลุมเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือลงไปอยู่ข้างล่างหมดใช้แผ่นกระดานปิดใช้ใช้ดินโรยโ ย, โลยแล้วก็ใช้ใบไม้ปกปิดแล้วก็เจาะรูไว้ในวันนั้นพญาช้างฉัาดทันมาก็มายืนตรงนั้นแหละพอได้จังหวะ ก็เปิดรูขึ้นมาแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยธนูยิงในพานสนดรเนี่ยมีกำลังเท่ากับช้างห้าเชือกคิดว่าตัวใหญ่ไหมพญาช้างฉัตรทันสูงประมาณ18ศอกสูงตังงานงานงามมากแล้วผิวงามมากเวลายืนน่บอกว่ายืนตังงานเหมือนเขาไกลลาดเนี่ยความงามขนาดนั้นงดงามมาก งานี่เป็นฉับพันระังสีหกสีเลยนะมีความงดงามมีความสวยมีความสง่างามเป็นพญาช้างพระบริษัทธนายพานสนุดรใช้ลูกศรใช้ลูกธนูยิงอะ่ะขนาดเท่าเสาเะยคคิดดูคนตัวใหญ่ขนาดนั้นเน่ยเสาเราดีๆนะยิงนี่อย่างกับเสียงฟ้าร้องเสียงดังตุ่มเต็มที่เลยนะทะลุเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสเสดือทะลุหลังเลย เวลาเนียวยิงขนาดนั้นนะ่ะพญาช้างฉัตรทันร้องออกมาสสดเสียงเลยโอ้โหพอร้องอย่างนั้นกลุ่มพญากลุ่มช้างบริวาร8ปด0 0นแนเชือกนพากันวิ่งวิ่งหาศัตรูเขาจะั้ยเลือดทลักปุ๊บๆอย่างกระม่อแตกอย่างจะลักวิ่งกันน้ำอย่างรมอแตกทลักทลักลงเลย ช้างเหล่านั้นก็พากันวิ่งวิ่งหาศัตรูก็พระนางมหาสุภัทธาซึ่งเป็นภรรยาก็คลอเคลียคอยดูการอยู่ท่านตั้งสติปุ๊บและท่านกาหนดเลยว่าศัตรูอยู่ทิศไหนพรรยาช้างเริ่มเริ่มคิดแล้วถ้าอยู่ทางหน้าอยู่ข้างหลังอยู่อะไรกไรลูกศรหรือลูกธนูต้องยิงมาจากกระพองทะลุหลังจากด้านข้างไม่ใช่แน่นอนต้องด้านข้างจากข้างล่างขึ้นข้างบน ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยตำหนิตำหนิภรรยาบอกว่าดูก่อนมหาสุภธาบรรดาบริวารพากันไปหาศัตรูไปคว้าหาเธอมาทำอะไรอยู่โอ้โหภรรยา ก, ก็ก็ขอโทษบอกว่าต้องการอยากจะดูแลท่านก็บอกไม่ต้องนางช้างก็ประทักษินกราบในทิศทั้งสี่กราบ ยอมเคยไหว้ไปเวียนพระใจดีย์ไหมเวียนขวาเวียนไปก็กราบเวียนไปก็กราบในที่ทั้งสี่สามรอบแล้วก็เหาะไปพอไม่มีใครอยู่แล้วท่านกําหนดหมายว่าอยู่ข้างล่างแน่นอนท่านใช้เท้าเขีย่ยเขี่ยกระดานออกปุ๊บกระแทกกระดานออกใช้งวงล้วงเข้าไปจับดึงขึ้นมาในพานโสณ ด, ดอนใช้ผ้ากาสาพาัดห่อตัวเองเรียบร้อยแล้วฉลาดไหม พอท่านเห็นแล้วเป็นยังไงจิตใจเป็นไงจิตก็อ่อนโยนวางท่านก็ถามว่าสหายเอยท่านมาฆ่าเราด้วยเหตุอะไรใครใช้ท่านมาในพานโสนุดรก็ละล่ำละลักพูดผิดผิดถูกๆบอกว่านางสุพัททาเทวีมาเหศีก็ระเจ้าพระรา ส, ส, สีทรงแพ้ท้องสุบินิมิตต้องการงาคู่นี้ของท่านท่านก็คิดฟุบ เพราะว่าถ่านระลึกชาติได้ระลึกฟืร์ขึ้นมาเลยว่ารู้ไหมรู้ว่าในพานนี้โกหกหรือพูดจริง<ม>ใช่ไหมถ้าเราดูในกตกจูปมาสูตรเนี่ยเขาจะพูดคำที่ถูกการหรือไม่ถูกการจะพูดจริงหรือพูดเท็จพูดคาหยาบหรืออ่อนหวานพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดได้โทสะจิตหรือเมตตาจิตโกรธหรือไม่โกรธ ไม่ควรกก่าท่านตั้งจิตไว้ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานท่านก็บอกว่าสหายเอ้ยท่านก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่จริงพนางสุภาธาเทวีไม่ได้ต้องการงาคู่นี้ของเราหรอกน า, นางมีจิตลิสยาอาคาตพยาบาทต้องการชีวิตเราถ้าเธอต้องการงานงางงาปูก็มีงาตาก็ ม, าากมีที่เก็บไว้สวยๆมีเยอะจริงๆเธอต้องการชีวิตเราไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นท่านรีบเดี๋ยวเราจะล้มเสื้อก่อนให้รีบมาตัดงาเราเราพร้อมที่จะสละงาคนนี้ให้เธอแล้วก็โอ้โหในพาโซ น, นุดอนจากกำลังละล่ำาละลัก ล, ลุกขึ้นด้วยธร ร, รมะธรแมแงด้วยจิตกระขะัะด้วยจิตหยาบถือเลื่อยท่านก็โค้งตัวลงมาตายงวงขึ้นไปปุ๊บๆๆ๊บ๊ขึ้นไปเหยียบที่กระพองแล้วก็ใช้หัวเขา่า กระทุ้งเนื้อที่ที่เข้ามาปิดตรงงานเนี่ยอัดเข้าไปในปากให้พระโพธิสัตอ้าปากขึ้นมาทั้งก็สอดเลื่อยเข้าไปในปากแล้วก็เหยียบกระพองนั่นแหละเลื่อยอย่างธรรมะธรรมงด้วยกําลังเหมือนกับช้าง5เชือกอะ่ะเลื่อยปึดปึดปื ด, ปดเลือดก็อาบอาบอาบเลื่อยไปเลื่อยมาเลื่อยต้องตัดลําบากใช่ไหมแต่ความแข็งแรงของในพานโสนุดรเนี่ยตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาแรงหมด พระโพธิสัตว์ก็บ้วนเลือดออกออกเลือดทะลักออกจากปากแล้วก็บอกว่าสหายเอยท่านหมดแรงแล้วหรือหมดแล้วนายหมดแรงถ้า ง, งั้นท่านลงมาลงมาข้างล่างเราใกล้จะล้มแล้วเนี่ยเราแรงเราก็จะหมดแล้วท่านจงแบกงวงเราเนี่ยมาจับที่เรื่อยเดี๋ยวเราจะตัดให้เดี๋ยวเราจะตัดให้ บอกไว้ไว้หน่อยเราอยากเห็นทา น, นบารมีของเราพอมาเปเสร็จก็แบกงวงแล้วก็จับที่เลื่อยท่านก็กระชากปึ๊เหมือนกับตัดตอไม้หลุดเลยโย่หลุดเลยท่านก็ใช้งวงรัดรัดงาท่านพูดว่าไม่ใช่ท่านไม่รักงาคู่นี้แต่งาคู่นี้คือสรรพยุตยาน เนี่ยท่านท่านบอกว่าการสละเนี่ยคือการให้เนี่ยการให้การสละท่านก็บอกว่าด้วยกุศลเนี่ยที่สละด้วยทานบารมีทานปารมาทานอุปาทานปารมาตะบรมีเทพยดาอารักษ์หรือบุคคลทั้งหลายจงโมทนาในกุศลที่ข้าพเจ้าสละนี่แล้วบอกว่าถามในพานโสนุดรบอกว่า มาใช้เวลากี่ปีเจ็ดปีเจดเดือนเจ็ดวันเนี่ยนะแต่ด้วยอนุภาพของงานคู่นี้ท่านจะกลับถึงเมืองภายในเจ็ดวันแล้วท่านก็บอกว่าเราไม่ได้ทำโทสะจิตให้เกิดขึ้นเลยแม้แก่ท่านที่มาประทุสลายและมาฆ่าเราด้วยสัจจะด้วยบา ร, รมีเหล่านี้ขอ อันตรายมลคะหรือภัยอันตรายทั้งหลายจงอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงปลอดภัยเถอะแล้วก็บอกให้ในพานโสนุดดอนรีบไปในพานโสน ด, ดอนแบกแบกเองงานรีบวิ่งขันหลังไปท่านก็ล้มโตมลงทันทีเลยใจขาดทีนี้ภัยกลุ่มช้างแปดพันแจ็ดแปดมื่นก็เชือกมาโ อ, โ, โอ้โหพอมาถึงปุ๊บเห็นพญาช้างล้มแล้วก็ เรียงหน้ากระดานเลยอยอมแเนี้ยเรียงหน้ากระดานเลยวิ่งเหยียบต้นไม้ทุกต้นนะราบเป็นหน้ากองเลยแต่ในพานโซนุดรนรอดเพราะอะไรสัจจะอธิษฐานบา ร, รมีของบริษ ท, ทิคคุ้มคองรอดจริงๆไม่น่ารอดเนี่ยแต่รอดนี่เห็นไหม ย, ยังตั้งจิตอธิษฐานให้ศัตรูที่มาปะทะสุบร้ายเนี่ยให้รอดปลอดภัย พอหลังจากนั้นขึ้นมาช้างก็ร้องไห้กันระงมเลยทียนี้ก็ไปนิมนต์พระประเจพระพุทธเจ้าห้าร้อรูปมาพอมาถึงช้างหนุ่มสองเชือกก็มาประคองประคองพระโพธิสัตว์ประคองให้ยืนจากล้มลงก็ทำเหมือนที่พระโพธิสัตว์ยังมีชีวิตอยู่ทำก็คือทำความเคารพกรบกาบอ่ะกราบพระประเจ กล่าวพระประเจดแล้วก็ตั้งเชิงตะกรันขึ้นมาก็เผาพระโพธิสัตวแล้วก็พญานางปณะสุภัฏธาเทวีก็ดูแลจับดูแลฝูงต่อที่พูดถึงนายพานโสนุดรนนายพานโสนุดรก็กลับไปก็นํางาช้างไปถวายกับพระเทวีพอพระเทวีได้งามาแล้วก็กอดก็เกิด ปัญหาเกิดอะไรเนี่ยนักเขา้านักเขาก็ใจขาดตายเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวาวร์พอประทับที่เชตวันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นกําลังจักแสดงธรรมเนี่ยนางภิกษุณีรูปหนึ่งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ที่หัวเราะเคยเกืก้อกูลกักพบพระพวกวัวที่ัตวที่ร้องไห้เพราะไประลึกว่าเอ๊ะเราเคยทำไม่ดีมีร้ายแต่วัวสัตว์ไม่น้อเนี่ยก็ระ ล, ลึกได้ตนเองเคยเป็นนาง อยู่แล้วสุภธ า, าเนี่ยเคยฆ่าพระบพิษัตวก็ร้องไห้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นตัวนี่สังสารวัตมันน่ากลัวอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องการบอกเราตรงนี้ก็คือต้องการอยากจะให้เรารู้ว่าแม้พระบพิษัตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมไม่โกรธกับคนที่ประทุษสลายจากนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้ว ได้จริยาวัดได้หลักในการที่จะบำเพ็ญเมตตาราราีใช่ไหมจะเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเอาละเอามาหยุดวิทย์แค่นี้ก่อนต่อไปใครต้องการอยากจะถามอะไรจะได้ถามเนาะเหลือเวลาเล็กน้อยที่จริงจะพูดในพระสูตรสตรหนึ่งนี่มาเห็นจริยาวัดของพระพุทธศาสน์ก็เลย หยิบมาพูดกล่าวว่าจะพูดนิดเดียวเลยไปยาวเลยสุดนี่อาเชิญเลมีพนมีคนถามเยอะไหมก็พอสมควรเจ้าค่ะอ๋อเออมีเหลือเวลาเหลือสามสิบนาทีค่ะคำถามแรกนะเจ้าค่ะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเริ่มบริกรรมสุขกายสุขใจปลอดภัยที่ลมหายใจออกเจ้าค่ะ ที่ที่จริงเนี่ยในหลักตรงนี้จริงๆเขาไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเพียงแต่ว่าฟังเพียงแต่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดเห็นของของของท่านที่คิดวิธีนี้มาท่านนั้นเองก็ถ้ามองอย่างนี้ก็เหมือนจะไปสอดคล้องเหมือนกับกรณีที่ว่า ในคัมภี์วิสุทธิมาร์คที่ไปคุยกันกับเรื่องว่าเด็กในท้องหายใจออกก่อนหรือหายใจเข้าก่อนเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็คือคงจะให้สอดคล้องตรงนั้นนะถ้ามองดูเจตนาลมของคนที่สอนวิธีการแบบตรงนี้มาจริงๆอามาก็ไปดูในคมภีร์ต่างๆที่ก็ตัดจากภาษาบาลีแล้วก็แปลจะเป็นภาษาไทยถ้าจะมองอย่างนี้ก็ได้นะว่าอาจจะอาจจะว่าเออในขณะที่หายใจเข้า ยังไม่ได้กำหนดอะไรก่อนแต่พอหายใจออกก็ให้นับกันในธรมนองอย่างนั้นเหมือนกับกรณีการเจริญอาณาปณะสติคงจะให้สอดคล้องอย่างนั้นอันนี้เป็นสันนิษฐานนะพ่อมาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงนั้นไว้ท่านก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดตรงนี้ไว้แต่เนี้ยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาบอกถ้าเห็นว่ามันไม่สะดวกก็ให้ทาอย่างอื่นอย่างที่บอกนะั้นตรงนี้ไม่ได้มีไม่ได้กล่าวาเรื่องเหตุผลอะไรไว้ ก็เหมือนการเถียงกันในเรื่องว่าในพระวินัยในพระสูตรที่กล่าวถึงในเรื่องของอนาปนสติแล้วก็บอกว่าเด็กในคันเนี่ยตอนคลอดออกมาเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าก่อนออกก่อนหรือเข้าก่อนออกก่อนไม่เข้าได้ไงยมเราไปดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมายมหายใจเข้าหรือออกก่อน หยใจออกก็ถูกแล้วเขาก็เลยเอาเป็นหลักในการเดินอ า, านาปานสติกันอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเป็นสูตรอะไรตายตัวตัวนี้เท่าที่ดูจากในคัมภีร์เนี่ยนะพอจะชัดไหมเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะเรียนถามว่าเจตสิกศีลหมายความว่าอย่างไรคะ่ะอ๋อคืออย่างนี้เจตนาศีลเจตสิกศีลก็คือตัวอะโลภา ค, คือความไม่โลภ อโทศาส์คือความไม่โกรธแล้วก็ตัวอโมหะก็คือปัญญาแล้วก็สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอชิวะกลุ่มเหล่านี้เป็นเจตสิกเป็นคุณสมบัติของจิตนะที่เกิดร่วมกันกันกบจิตถามว่าอรารพะเนี่ยเป็นศีลได้อย่างไรเวลาเกิดความไม่โลภขึ้นมาเนี่ยก็เลยไม่ไปลักไม่ไปประพฤติผิดในกรรมเป็นต้นเหล่านี้หรือไม่ไปฆ่า หรือไม่ไปด่าเป็นต้นเนี้ยอารมพะเหล่านี้เกิดขึ้นพอมีความไม่โลภเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยไปตัดรอนความอยากได้ก็เลยทำกายกรรมวจีกรรมและอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอารภะเป็นศีลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าอโทสากคือความไม่โกรธเห็นไหมเป็นคันติสังวรก็เป็นศีลได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ความไม่โกรธยังเป็นศีลได้โดย ท, ทั่วไปเมื่อไม่โกรธก็ไม่ฆ่า ไม่โกรธก็ไม่ไปลักไม่ประพฤติในกาไม่พูดเท็จเป็นต้นเหล่านี้ก็ทําให้พฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยตลอด ถ, ถึงอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามที่เกิดจากอาโทสาคือความไม่โกรธส่วนปัญญาเป็นศีลเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วปัญญานั้นก็ไปพิจารณาเข้าใจเรื่องเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมเมื่อรู้ว่าเป็นการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลกรรมไม่ฆ่าสัตว์เป็นกุศลกรรม ก็งดเว้นจากการฆ่าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทําให้พฤติกรรมทางกายของตนเองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามอย่างนี้เป็นต้นความไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมก็ผักดันพฤติกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เลยเป็นเป็นศีลขึ้นมาส่วนตัววิรติ 3, สเนี่ยสัมมาวจาวิรติสัมมากามตวิรติสัมมาชีววิรติเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวป้องกันเวราเจตนาอคติที่เป็นเหตุการการพูดเท็จ เวลาภาวะจิตที่จะเกิดเกิดเจตนาชัว่วร้ายในการที่จะพูดกล่าวเท็จขึ้นมาเนี่ยถ้าวิรตีเกิดในใจพบวิรตีก็จะเป็นตัวงดเว้นนะเป็นตัวห้ามห้ามสัมมาห้ามมิฉ า, าวาจาเหล่านี้ไม่ให้พูดเท็จตัดตรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเห็นการพูดเท็จได้ตัดตรอนเวรเจตนาอากุศล ท, ที่เป็นเห็นการพูดส่อเสียดได้ ตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคาหยาบเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการพูดเพ้อเจอหรือเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าลักและประพฤติผิดในการมหรือเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพผิดเห็นไหมตัวสัมมาวาจาก็จะไปทํากิจในการละมิจฉาวาจาทั้งหมดส่วนสัมมากรมมตาก็ละละกายทุจริตสัมมาชิวาก็ละ การเลี้ยงชีพที่ผิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นตัววิรตีเนี่ยที่มานั่งแท่นอยู่ในใจแล้วก็ทํากิจในการละบาปกุศลกรรมที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางอาชีพทั้งหลายเนี่ยวิรตีเหล่านี้ก็เกิดมาจากตัวกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายอื่นๆเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะไม่ใช่แค่วิรตีตัวเดียวทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจเป็นเหตุแห่งการละบาปทางกายทางวาจาและทางอาชีพให้ให้หมดจดเป็นต้นได้พอมองเห็นไหม ถ้าไม่ชัดก็ก็ถามต่อถ้าชัดแล้วก็เงียบเงียบอย่างเงี้ยเด็ดคำถามต่อไปนะเจ้าคะถามว่าเมื่อเราปฏิบัติเมตตาภาวนาแต่คนที่เราอยู่ด้วยกับชอบตำหนิด่าว่าคนอื่นจะทำใจหรือกําหนดอย่างไรคะเพราะทำให้เราหงุดหงิดไปด้วยเจ้าคะอ๋อเราอยู่กับคนหงุดหงิดคำถามใครยกมือหน่อยที อยากอันนี้เป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาความจริงของชีวิตที่เราอยู่กันในครอบครัวในความเป็นอยู่ก็เป็นแบบเนี้ยต่อให้ศึกษาพระธรรมคําคสอนไปอย่างไรเราก็ไปอยู่ก็จะเจอกันแบบเนี้ทํามามีคนที่รู้จักไมว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาบวชอยู่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ศึกกันไปเนี่ย ก็ไปมีภรรยาบ้างอะไรบ้างหรือบางคนเคยบวชเป็นนุ่งขาวผมขาวไปมีสามีก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฝ่ายสามีก็จะบอกว่าภรรยาขี้บ่นจุกจิกจู้จี้ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าสามีก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยนะแล้วเวลามาปฏิบัติที่วัดก็จะมาบ่นให้ฟังมาบ่นให้พระฟังบ้าเ น, นี้ยเนี่ยเป็นปัญหาเลยว่า เขาบอกว่าบางทีก็บอกทำไมเวลามาอยู่วัดแล้วเนี่ยกลับไปทาไมบ่นเก่งกว่าเดิมนี่เขาว่าพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าพอมาอยู่วัดแล้วกลับไปเนี่ยคนในบ้านเนี่ยไม่มีคนดีเลยมีดีแกอยู่คนเดียวก็บอกว่า เนี่ยยอมไม่อยากจะอยู่เลยที่บ้านมีแต่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ขี้บ่นจุกจิกจูกจก้จี้ไม่สวดมนต์ไม่อะไรต่างๆที่บ้านนะ้มียอมอยู่คนเดียวนี่แหละยอมเลยเบื่อเลยมาที่วัดบอกโอ้แสดงว่าในบ้านคนชั่วทั้งหมดเลยมีคนดีอยู่คนเดียวเออเป็นแบบนี้จริงๆยอมเจอปัญหานี้ไม่ถามจริงไม่เจอเลยเลย ในบ้านดีกันหมดเลยเลยถามว่าเวลาเราอยู่กับคนคนขี้โกรธคนขี้หงุดงิดเนี่ยเราจะทำยังไงวิธีการเนียเอาบอกวิธีการรายละเอียดลงไปตั้งหลักอย่างนี้ว่ า, าให้เราทําหน้าที่สมมุติเราเป็นภรรยาเนี่ยเอาเป็นสามีดีกว่าเนยสามีต้องทํากิจกับภรรยายัางไง หยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองไม่โดมินใช่ไหมคือทําไมพระพู้ไเจ้าจึงให้สามียกย่องภรรยายอมรู้ไหมคือการยกย่องเนี่ยผู้หญิงนี่แปลกอย่างถ้าชมดีตําหนิแล้วยิ่งไปใหญ่เลยฉะนั้นไปที่เพื่อนก็ดีไปที่เพื่อนของเขาเพื่อนของเราหรือปู่ตายา ย, ายให้เอาส่วนดีของภรรยาที่มีมายกย่อง แต่ห้ามพูดไม่จริงนะทั้งนั้นกลายเป็นพูดเท็จนะเขาต้องมีส่วนดีอยู่แล้วใช่ไหมมนุษย์คนน่ต้องมีดีไหมจริงๆนั่นแหละเอาส่วนดีของเขาทั้งหมดนั่นแหละเอามาพารนาสารเสริญเช่นเขาเป็นคนขี้บ่นเนี่ยเราไม่เอาแต่เขาเป็นคนขยันเราเอาความขยันของเขามายกยอ่องเขาเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเราไม่นั่นแต่เป็นคนที่รับผิดชอบเราเอาความรับผิดชอบของเขามายกย่องมาสารเสริญ เช่นเขาเป็นคนที่เอออวยเราไม่พูดตรงนั้นแต่ให้เอาการที่ว่าเขาไม่เคยนอกใจเอามาสรรเสริญหรือคนที่เขาเขาจัดการงานดีสงเคราะห์คนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยขยันหมั่นเพียรทั้งหลายเอาสิ่งดีๆทั้งหลายมาสรรเสริญบ่อ ย, อ บ, อยบ่อย่อยบบยบพอสรรเสริญบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตําหนิอย่าไปตําหนิเขาว่าโงา่บังไม่ฉลาดไม่ได้เรื่องใดแล้วห้ามเด็ดขาดเลยนะคนที่เป็นสามี ขอขาดนะแ ต, แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ผู้หญิงจะปรับจะแปลกดียกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองไม่ดูหมิน่นสามไม่นอกใจใช่ไหมสี่ก็คืออะไรอะไรน ะ, อะรนะมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้หลังนั้นเรื่องในบ้านเนี่ยบอกว่าคุณ เป็นใหญ่คุณมีหน้าที่คุณจัดแจงนะโอ้โหเขาจะชื่นใจมากจะทําตรงนั้นในบ้านจะทําตรงนี้ในบ้านบอกว่าคุณคุณเป็นใหญ่ในบ้านผมผมยกความสามารถนี้ยกยกความเป็นใหญ่หคุณให้คุณตัดสินยังไงผมตามอย่างเงี้ยเขาจะโอ้โหชื่นใจมากและข้อสุดท้ายคือหาเครื่องประดับให้หาเครื่องประดับให้ห ใ, หในการนั้นควรยอมเคยชื่อเครื่องประดับให้ภริยาไหมเคยไหม เขาซื้อเองเนี่ยไม่ทำไม่ไม่ไม่ปฏิบัติในศีลเนี่ยผิดในเนี่ยอย่างงี้ไม่ศีลของของผู้คลองเรือนเนี่ยต้องหาให้เขาต้องหาให้เขาอะไรนะฮะอยู่กันมากี่ปีสามสิบกว่าปีไม่รู้หรือว่าเขาชอบอะไรห้ามมื่นดิต้องดูต้องเกตเขาดิคนเราอยู่ด้วยกันไม่กี่ปีก็รู้แล้ว ใช่ไหมถ้าโยมสามารถเข้าใจเขาได้โยมจะไปนั่งในใจเขาได้ลองทำดูดิไม่ใช่ว่าหมดโปรโมโชั่นแล้ว <laughs> จริงจริงมันต้องทำได้จนนั่นแหละแม้กระทั่งนอนเป็นไข้ป่วยใกล้าตายยังต้องให้เครื่องประดับเขาจะชื่นใจมากโยมเคยได้ไหมล่ะเคยไหม ถ้าไม่นั่งกลับไปไปบอกเขานะว่าเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกุศลศีลที่พระเจ้าบอกไว้ไม่มีจารีศีลเพราะอย่างนั้นแหละถึงไม่ค่อยเจริญลุงเหลืองเลยก็บอกไป <c oughs> อ, ยอย่างนี้เป็นตอนนัน่นมันเป็นหน้าที่นะมันเป็นศีลของเราที่เราทําเนี่ยทําไม่ใช่เพื่อเอาใจเขาแต่ทําเพื่อจะฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นสามีที่ดี หลักการคือตรงนี้อันนี้เป็นเปน็จารีตเป็นกุศลศีลเป็นพื้นฐานที่เราจะทั้งทาให้แข็งแรงทํากุศลศีลให้แข็งแรงให้มั่นคงนี่เป็นหลักการปฏิบัติเนาะทีนี้ตรงนี้ที่จะตอบประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราจะอยู่กับคนที่จุกจิกขี้บน่นหรือว่าเป็นคนขี้โกรธก็แล้วแต่เนี่ยแต่จงทํากิจของตนเองเนี่ยนะให้ดี เมื่อทำทำหน้าที่ของตนเองให้ดีให้มาสํารวจนะสำรวจในการทําหน้าที่ของตนเองเนะี่ยเต็มที่หรือยังเมื่อเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยจงภูมิใจในสิ่งที่เราทำและและในขณะที่เราทําอย่างนี้เชื่อไหมมันมีผลกระทบเลยนะการที่เราไม่โกรธไม่แสดงอาการขึงเครียดใส่เขาเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างอย่างรู้และเข้าใจ อย่างยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเขาจะเป็นคนจุกจิกขี้บ่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราบอกเขาเราปฏิบัติต่อเขาอย่างเสมอต้นเสมอปลายและปฏิบัติอย่างอย่างถูกต้องเนี่ยไอ้ตัวกุศลที่เราทําเนี่ยมันมีพลังเนี่ยมันมีพลังเนียแต่ผู้ชายโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอบ่นเจอตําหนิเจออะไรต่างๆแล้วก็จะไม่พูดพอไม่พูดแล้วก็ทําเฉยไปอย่างเงี้ยไม่ไม่พยายามปฏิบัติให้ถูก เหมือนกับเราอยู่กับแม่เนี่ยแม่เอาแต่ใจตนเองขี้บ่นจุกจิกเจ้าจี้แต่เราก็เลยกลายเป็นเครียดไปเลยใช่ไหมเหมือนอยกตัวอย่างนะเอามายกตัวอย่างย ม, มมา ย, ยมแม่อามายอมแม่อ่ะมาเนี่ยพาไปหาหมอที่กรุงเทพน้องๆก็เหนื่อยตอนที่หมอเขาจะมีการไปทําอุนตาซาวที่ไต แต่จะต้องกินน้ำเนี่ยประมาณสองขวดใหญ่ๆไปเขาก็ไปให้แม่กินประมาณเกือบสองชั่วโมงเอยยังไม่ได้ตรวจอามาก็เลยไปดูเอ้ทำไมไม่ตรวจน้องน้อ ง, น, องน้องสองคนก็บอกว่าแม่ไม่ยอมกินน้ำเลยแล้วเนี่ยอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยบอกก็ยากอะไรต่างก็ว่าไปอามาก็เออเอามาก็เลยแบบยอมแม่ยอมแม่ไม่อยากกินน้ำใช่ไหมเออยอมแม่อาไม่อยากกิน ไม่เป็นไรนะโยมแม่นะโยมแม่จะกินหรือไม่กินก็ได้อตมาเนี่ยเคารพการตัดสินใจของโยมแม่ไม่ตรวจก็กลับกันนะโยมแม่แต่ถ้าโยมแม่อยากจะหาอยากจะรู้สาเหตุว่าไตามันเป็นอย่างไรโยมแม่ก็ต้องฝืนกินแต่มันก็ยากลาบากแต่ถ้าโยมแม่ไม่อยากไปรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่มาตรวจไม่มารักษาก็ได้ยาเนะี่ยโยมแม่ไม่กินก็ได้จะกินก็ได้ ถ้ายอมแม่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากจะหายจากโรคอยากจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ให้ลูกหลานได้ดูแลได้เจริญกุศลต่างๆเหล่านีนยอมแม่ก็กินแล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอบอกแต่ถ้าโยอมแม่เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอะไรต่างๆอัตมาก็เคารพการตัดสินใจของโยมแม่แต่ใจของอัตมาเนี่ยอัตลรักยมแม่นะอยากให้ยมแม่อยู่กับอัตมานานๆแต่เมื่อยอมแม่ตัดสินใจแล้วอัตมาก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของโยมแม่แ พอพูดแป๊บเดียวยยแม่ก็ยกขึ้นมาดื่มดื่มแป๊บเดียวไม่เกินสิบนาทีหมดสองขวดแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเราพูดด้วยใจเมตตาแม่จริงๆก็เลยบอกน้องบอกว่าทำอย่างนี้สิหนึ่งก็คืออย่าไปกดดันเธอเคารพแล้วก็เข้าใจเข้าใจเธอ แล้วก็ถ้าเธอจะไม่ทําหรือแม่จะไม่ทําหรือสามีภรรยาเขาจะเป็นก็ขเขาแย้งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราปฏิบัติตนเองให้ดีเถอะแล้วก็บอกเขาดีๆบอกรักเขาด้วยเมตตาวาจีกรรมกระทากับเขาด้วยเมตตากายกรรมคิดต่อเขาด้วยมโนเมตตามโนกรรมทำํำสิเมตามีผลนี่อย่างน้อยที่สุดก็รักษาใจเราให้แข็งแรงและมั่นคง แล้วเมตตามีพลังมีอนุภาพมันจะแผ่ออกไปใช่ไหมเอายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าเขามอมเอาเหล้าอมให้ช้างทั้งเท่าไหร่ตั้งหกสิบหม้อเนี้ยช้างนาราคีรินวิ่งเข้ามาหาพระเจ้าปกติพระเจ้าเสด็จบิณฑบาตเนี่ยจะแผ่เมตตาไปให้กระสาประสทั้งหลายในสากลจักรวาลใช่ในคราวนั้นพระเจ้าหยุดแผ่ แล้วก็เพ่งเมตตาจิตไปที่พญาที่ช้างเนี่ยเชือกเนี่ยช้างที่เมาด้วยฤทธ์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เกลี้ยงเลยวิ่งมาน้ําตาล่วงเอาทาเอาเอ า, เอางาทิ่มพื้นพระุทธเจ้าก็ใช้มือใช้พระหัตถ์ลูกกบกระพองช้างบอกว่าพญาช้างเออช้างเอยเนี่ยเธอเป็นถ้าเธอประทุสร้ายพัตถาคตเนี่ยเธอจะจมในอบายทุกขติวิณิบารณ์ในโลกนี้ นับตั้งแต่วินาทีนั้นช่างเชื่องนั้นก็ถือศีลห้าจนตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยพลังของเมตตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะที่ขอให้เราทำเถอแล้ว<อ>เมื่อกุศลมันมีพลังจริงๆความจุกจิกเจ้จี้ขี้บน่นความอุดหิดของคนที่เราอยู่ด้วยจะหายอ่ะดูคนหนึ่งก็คือมีอุบาสิกาท่านหนึ่งใช่ไหมที่ว่า มีสามีเป็นพาระทว่าช้พรหมที่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยจำได้ไหมล่ะนั่นแหละนางเนี่ยเป็นอุบาสิกาที่เวลาล้มก็ดีไอจามก็ดีก็นกโมสัมพุทธสัอุทานออกมาข อ, าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยอุทานอย่างเงี้ยแต่ในวันหนึ่งก็คือต่พรามนับถือพวกอเจรากะาพวกชีเปือยเนี่ยบอกว่าวันนี้ขอสักวันได้ไหม อย่าร้องเรียกพระ น, นามของพระสัมมาของพระธเจ้าอย่าร้องเรียกพระ น, นามพระของของของเธอเพราะวันนี้ฉันจะพาของฉันมาที่บ้านภรรยาก็บอกว่าจะไม่ให้ฉันนี่ยทำหน้าที่จัดการงานดีสง่งเคอกคนข้างเคียงของสามีไม่ไม่นอกใจไม่โดมินเออไม่นอกใจเก็บทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้ แล้วก็ขยันไม่เกียรติค่ากิจการทั้งปวงนั้นทําม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นอุบาสิกาในพระรัตนตรยัยที่เธอจัดการงานดีเนี่ยก็เพราะนี่แหละความมั่นคงในพระรัตนตรยัยส่งเคาะคนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจเก็บทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้ขยันไม่เกียรติค่าในกิจการทั้งปวงเนี่ยการที่มั่นคงในศีลมั่นคงในสมาธิมั่นคงในปัญญาอย่างนี้ยก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วที่จะให้ไม่อุทานร้องเรียกพระ น, นามของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือไม่ให้ตนเองปฏิบัติในศีลเนี่ยไม่ให้ตนเองปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามมันทําไม่ได้แล้วเพราะตนเองเนี่ยมันเป็นออโตโมิติกมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นเนื้อเป็นตัวกับการที่มั่นคงในกุศลแธรรมเรียบร้อยแล้วสามีบอกถ้างั้นก็อย่าพูดดัง เลอเขาบอกถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อุทานให้ดังหรอกไม่ทำบรรยากาศให้เสียแต่ครั้งนั้นเน่ยเธอล้มไงเธอล้มพอล้มขึ้นมาไม่ใช่น้โมสัมพุทธัสส์แล้วหันไปที่ทางพระพุทธเจ้าก็ตั้งเลยนะโมะะตัสสะพระกัมมตุกโว้โยผมโกรธมากเลยโกรธไม่รู้จะทํำยังไงกับภรรยาได้ก็เลยนั่นแหละใครที่เป็นอาจารย์ของภรรยาก็พุทธเจ้าก็วิ่งไปใช่ไหมก็เลยไม่ได้กลับมาเลยไปบอกว่า ค่าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกข่าอะไรเสียไ ด, ไไได้ถึงจะจะไม่เป็นทุกข์เป็นต้นพระเจ้าบอกค่าความโกรธเรียบร้อยเลยตัยวนี้หลุดเลยปัญญาทันดีอ้าวถามเหลืออีกสิบนาทีเจ้าค่ะเขาบอกว่าจากประสบการณ์นะเจ้าคะหากเรามีเมตากับใครหรือทำดีกับใครมากๆเขากลับไม่เห็นความสำคัญของเราจนบางครั้งเราต้องถอย คือทำให้น้อยลงหรือไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธีการปฏิบัติให้ถูกคืออย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเรายกตัวอย่างเมตา ก, กับการุณานี่ไม่ต่างกันนะยกตัวอย่างเช่นเรา เ, เราแม่ป่วยหนักพ่อป่วยหนักหรือว่าสามีภรรยาป่วยหนักเราก็เกื้อกูลในการค้นควายในการช่วยเหลือเต็มที่ ทำเต็มที่เลยนะแต่อาการของภรรยาของพ่อแม่ของเพื่อนไม่ได้ทุเลาลงเลยกับสุดลงสุดลงสุดลงถ้ามีกรุณาจิตจริงๆเนี่ยตอนนั้นน่สภาพจิตนั้นต้องดีจิตต้องต้องมีความสุขด้วยจากการที่ตนเองได้ขวนขวายในการทำหน้าที่เต็มที่เห็นกรุณาที่เกิดขึ้นในตน ทิมผักออกมาทางกายกรรมบ้างทางวจีกรรมบ้างทางพฤติกรรมที่เราไปขวนขวายช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มศรรักยภาพเต็มความสามารถแต่อาการของคนที่เราช่วยเหลือน่ก็ไม่ได้ดีขึ้นซุดลงสุดลงสุดล ง, ดลงในสุดตายคนที่มีการุณาจริงๆจะไม่ร้องไห้จะเห็นการุณาในตอนที่ตนเองขวนขวายทำอย่างเต็มที่เลยกับอิ่มใจสุขใจว่าเข้าใจความเป็นไปของชีวิต เข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องมีการพัดพลาดเป็นธรรมดาเราขวนขวายเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่คุณธรรมคือกรุณาไม่เคยลดน้อยไปเลยในจักใจเราในทํานองเดียวกันเมตตาก็เหมือนกันเวลาเราทําด้วยเมตตาเนี่ยให้เห็นเมตตาที่เกิดขึ้นในเราเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้น แล้วให้มีความเอิบอิ่มปลาโมดให้ปีติและมีความสุขจากการที่เห็นเมตตาของเราเกิดขึ้นในใจไม่พอผักออกมาเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตากระทำด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาถึงแม้เขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรกับการเห็นคุณธรรมของตนเองที่เจริญไพบู์งอกงามอย่างมากมา ย, ยิ่งขึ้น แล้วมีข้อฝึกเนี่ยข้อฝึกแบบนี้เหมาะแก่เราเหมาะแก่เราที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ที่เราได้มีบททดสอบมีเวทีทดสอบศักยภาพทดสอบความสามารถมีบทฝึกให้เราได้ฝึกถ้าไม่มีบทฝึกอย่างนี้เมตตาของเราจะเจริญภัยบุญได้อย่างไรให้คิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมตตามันจะได้กําลังอย่างดีเลยนะเพราะเราไปเจริญเมตตาในที่ที่ มีปัญหาน้อยอุปสรรคน้อยเมตตามันถึงเป็นอย่างแสงหิ่งห้อยนิดบางทีริบหลี่รบหี่ฉะนั้นตรงนี้แหละได้โอกาสที่จะทําให้เมตตาแข็งแรงแก็พัฒนาการ ย, ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ดีเห็นไหมว่าแทนที่เราจะไปมองสิ่งรอบข้างแต่ว่ามองในกระแสเมตตาในชีวิตของตนเองทีนี้ถ้ามีพลังจริงๆกําลังของเมตตามีพลังจริงๆมันแผ่ข้างนอกได้และเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เหมือนพุทธเจ้านี่นะ ว่าเราพระเจ้าเสด็จบินธบาตเป็นต้นเหล่านี้ฝนก็โปรยปลายลมก็พัดเฉยฉิวใบไม้ตอหนามทั้งหลายเดี๋ยนี้ก็ผุดลงในดินหมดใช่ไหมอันนี้แปลว่าโอ้โหพลังกุศลมีพลังมากเลยสิ่งไม่ดีทั้งหลายหลบหลีกหมดเลยเนี่ยถ้าเราก็เหมือนกันถ้ากำลังกุศลเราฝึกดีจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเราได้นะให้เราเราคิดอย่างี้ นี่ถามว่าการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งเอาหลังพิงผิดหรือไม่เจ้าคะไม่ได้ผิดหรอกแต่เพียงว่าไม่ค่อยดีถ้าเรายังแข็งแรงอยู่นะยกเว้นแต่ว่าหูหลังเรามีปัญหาเพราะว่าถ้าไปนั่งพิงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าการ mm hmm. การกําหนดการอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยสเสถียรเออมันแปลกดีจริง เช่นเราไปนั่งพิงก็ดีนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อกับนั่งกับพื้นนะั่งนั่ ง, งอันนี้ยกเว้นถ้าขามีปัญหาก็นั่งเก้าอี้ไปเถอะที่หมายความว่านั่งกับพื้นกับเออมั่นคงดีกว่าคําว่าอูช่ชงกายยังเนี่ยตั้งกายตรงเนี่ยอาการตั้งกายตรง ง, งอข า, าพับขาเข้าเนี่ยเออเป็นท่าที่มั่นคงจริงๆทํากระดูกสันหลังทั้งสิบแปดท่อนให้จรดกันให้ตรงเนี่ยมันจะทําเป็นท่าที่มันมั่นคง เป็นเป็นท่าที่แข็งแรงแล้วก็จะเมื่อจิตมั่นเมื่อกายมั่นคงแข็งแรงสเสถียรแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยต่อการทําให้จิตนั้นมั่นคงได้ดีด้วยเออนี่ก็เป็นปัจจัยเอื้อต่อกันเจ้าค่ะอีกสักคําถามเพราะว่าเดี๋ยวขี่จะได้ปฏิบัติได้ เ, เขาถามว่าท้าวเจ้าเจริญเมตตาไม่เป็นตอนนี้งงมากเจ้าคะ่ะเดินบริกรรมสุขกายสุกใจปลอดภัยแต่ใจไม่น้อมลงเหมือนได้แต่วิใน พยายามจะเมตตาก็ไม่รู้ว่าทําแบบไหนอ๋อคืออย่างนี้เข้าใจแล้วคืออย่างนี้ยอมว่าจริงๆคําบริกรรมเนี่ยบางครั้งถ้าใจมันถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดจริงๆก็ไม่ต่างอะไรเราให้นกแก้วนกขุนอทองพูดเนะนะเออวันก่อนมีคนเขาเอารูปมาให้อมาดูนกขุนอทองเนี่ยมันพูดเนี่ยพูดให้พรเนี่ยพูดให้พรเนี่ ย, อนนยบอกว่า เป็นภาษาบาลีได้ด้วยนะอายุวันโนสุขังพลังเอามาฟังแล้วขนะ่ำหน้าดูเออแปลกไอ้นอกขุนทองมันให้ให้พรแบบนี้ได้บอกว่าออายุวันโนสุขขังพลังคิดว่ามันเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกเขาท่องให้ให้ท่องก็ท่องนี่ก็เหมือนกันเหมือนเราท่องว่าคอยมีความสุขคอยมีความสุข ขอให้เข้าไเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้เข้าไปเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้เข้าไเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยเนี่ยคิดอย่างเนี้แต่ไม่เข้าใจประเด็นก็คือว่าโทสะเวลาเกิดขึ้นความเครียดมันเกิดขึ้นมันทุกใจใช่ไหมเราตั้งสติกำหนดตั้งเมตตาจิตให้เกิดขึ้นมาว่า นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจะไม่โทสะเกิดขึ้นในจิตเพราะเราไม่ต้องการความทุกขความเครียดความกลุ้มเราจะให้เมตตาคือความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นเวลาตั้งเจตจำนงอย่างนี้จงใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำใจให้เกิดความรักนึกถึงตนเองเนี่ยเรารักตนเองไหมมันนึกอย่างนี้นะว่าถ้าใครมาฆ่าเราเราชอบใจไหม ก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นที่ชอบใจพอใจแกเรางั้นเราไม่ควรฆ่าคนอื่นเหมือนกันถ้าใครมาด่าเรามาประทุศสไลายเราเราก็ไม่ชอบใจ เราก็ไม่ควรไปด่าไปประทุษร้ายคนอื่นถ้าใครมาลักทรัพย์เราเราก็ไม่พอใจเราจึงไม่ควรลักทรัพย์คนอื่นถ้าใครมาประพฤติผิดลูกเมียภรรยาบุตรสามีภรรยาของเราเป็นต้นเราก็ไม่ชอบใจเราจึงไม่ควรไปประทุษร้ายคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใครมาโกหกเราเราก็ไม่ชอบใจเราจึงไม่ควรโกหกคนอื่นถ้าใครมาพูดส่อเสียดคําหยาบหรือถ้าใครเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตมาอยู่ใกล้ๆเราเราก็หวาดระแวง เราก็ไม่ควรทําเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเป็นเหตุให้คนอื่นต้องหวาดระแวงเป็นต้นอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยก็คือว่าเราจะไม่คิดล้ายต่อใครเราจะไม่ประทุษร้ายใครทางกายทางวาจาและไม่ทางใจเป็นต้นเราจะให้ความสุขเกิดขึ้นในตนกุศลแลสุขความดีเกิดขึ้นในตนปรารถนาให้เราเนี่ย มีความสุขมีอายุยืนปราดนาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนการให้พรตัวเองอเวลาพระให้พรยมมีความสุขไหมขอโยมมีความสุขนะขอโยมอายุยืนนะขอโยมปลอดภัยขอยยมพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายเมื่อมีพระมาบอกให้เราอย่างนี้ทำไมเราตื่นเต้นชื่นใจอะ่ะมีความสุขหละจะไปต่างอะไรกับการคิดให้ตัวเองไม่ต่างกันเลย แปลเพียงว่าในขณะที่เราท่องเราไม่เข้าใจไงเราก็เลยท่องเป็นสำนวนภาษาออกมาแต่สภาพใจเราไม่ไม่มีเมตตาจริงๆเอามาไปที่พมา่ามีพระรูปหนึ่งตอนนี้ท่านมรณาภาพและเป็นพระเถระเออแปลกมากทำไมาต้องกไปคุยกับท่านเนี่ยพระรูปนี้ท่านบอกว่ า, าวเนี่ยข่าวนะแต่เท็จจริงไม่ว่าเนี่ยท่านบอกว่าเขาบอกว่าท่านเนี่ย พระพุทปฏิบัติอยู่ในหลีกเลนอยู่ในป่าช้าเนี่ยท่านแพ่เมตตาตลอดแล้วเมตตาแข็งแรงมากแพ่เมตตาให้กับพระเชษฐาดินคือราชการที่เก้าของเราเนี่ยเล่นจน ร, ราชการที่เก้าฝันถึงท่านตลอดแล้วก็หาควานหาเลยว่ากันเถอะอันนี้อันนี้ข่าวว่างั้ น, นแต่ที่ไปดูเห็นจริงจริงว่าราชการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการก่อนเนี่ย ให้สมเด็จพระเทพให้ใครไปไปไปทอดกรถินที่วัดนี้ท่านอยู่บนเขาเอามาก็เอออยากขอไปดูหน่อยเถอะว่าอามาก็ไปถามเรื่องนี้ถามว่าท่านหลว ง, งพ่อครับหลวงปู่ครับหลวงปู่เจริญเมตตายังไงได้ข่าวว่ามีพลังขนาดนั้ น, นท่านบอกว่า ให้เมตตาจิตเกิดก่อนจึงค่อยแผ่ออกไปไม่ใช่เที่ยวไปแผ่ออกไปก่อนโดยใจที่มันไม่เกิดเมตตาคือทำให้เมตตามันเกิดจริงๆใ ห, ให้กุศลมันเกิดจริงๆฟังกันเถอะพอเกิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจนมั่นใจแล้วมันเป็นเมตตาจริงๆจึงจะค่อยแผ่ออกไป แม้จะจะแผ่ให้กับตัวเองเหมือนกันต้องทำเมตตาให้เกิดทำกุศลให้เกิดก่อนจนจิตมันโปร่งโล่งเบาจิตเป็นกุศลจิตเป็นความสุขจริงๆแล้วเนี่ยจึงค่อยน้อมเมตตาเนี่ยแผ่กับตัวเองท่านบอกเนี้ยท่านบอกว่าก็จริงนะเนี่ยท่านบอกแหมแผ่มีพลังไหมล่วแผ่ให้คนฝันถึงได้นเนี่ยยอมลองเอาสักทีทเนี่แผ่ให้เจ้าวาดฝันถึงดูดิลองดูดิ โอ้โหยอมยอมแผ่มากไหมอาตมานอนไม่หลับเลยฝันนึกยอมทุกทัง้งเกิดเ น, นี่ยเห็นไหมเนี่ยเล่นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไม่ได้เลยแต่ท่านหมดรงภาพไปแล้วท่านหมดแรงภาพไปแล้วอาตมาก็ไปกราบท่านแล้วท่านเนี่ยบอกอาตมาไงรู้ไหมอันนี้เป็นเรื่องท่านนะท่านบอกว่าจําท่านได้ไหมว่าเราเคยพบกัน อมามาเอ๊ยทำไมพูดอย่างเงี้ยอามาก็เฮหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยคืออามาก็ปฏิเสธบอกจำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเจอไม่เคยมาที่ตรงนี้ด้วยท่านก็บอกไปคิดให้ดีไปคิดให้ดีแล้วท่านก็บอกว่าโอกาสจะเจอก็ดี ก, ก็ น, น้อยอามาก็กลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะไปกราบไปถามท่านแกกท่านก็ตอบไม่มากกลับมาเนี่ยอามามาคิดอะไรได้รู้ไหม อมาเคยฝันเคยฝันเห็นท่านจริงๆเคยฝันจริงๆเออเนี่ยแต่ตอนนั้นอม า, านึกไม่ออกอม า, นานเคยฝันเห็นพระแล้วก็นึกโอ้ลุบร่างแบบนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละเป็นหุ่นทรงแบบนี้แหละเคยฝันถนึงท่านจริงๆไงเนี่ยเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนี่นะเออมันเกิดขึ้นแต่ท่านบรณภาพไปแล้วแล้วมาเป็นคนชอบท้าเรื่องนี้เออเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟัง คือเอามาไปแล้วจะรีบกลับจะรีบกลับประเทศไทยเครื่องบินก็จะต้องจะออกแต่เอามาแวะไปก่อนเนี่ยทีนี้เขาท่านไม่รับแขกใช่ไหมท่านมีปเตไอขวางอยู่ไอไม้ขวางขวางอยู่ข้างล่างประตูไม่เปิดมีโยมเรบอกว่าต้องเวลาบ่ายสองเท่านั้นเนีนี่ท่านมากันช่วงเที่ยงเนี่ยเขาท่านท่านไม่รับแขกเอามาก็เลยพูดขึ้นมาดังๆบอกว่าถ้าท่านแน่จริงเนี่ย ช่วยคนเปิดประตูให้ไปหาหน่อยเถอะไม่นานมีคนวิ่งลงมาเปิดจริงๆเออเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าแบบนี้เอามาเป็นคนชอบท้าแบบนี้เออท่านจริงเออทานามีคนวิ่งมาเปิดแตจ่จริงจะเป็นเพราะเหตุอะไรไม่ทราบเนะียเออเนี้ยเป็นพระเถระซึ่งเราก็ก็เป็นเรื่องแปลกเป็นภาพมอนมรณภาพไปแล้วเอามาได้เคยได้สนทนาอยู่พัก ท่านบอกแบบนี้ฉะนั้นเมตตาเมื่อตะคิดที่ยอมถามเนะี่ยตรงประเด็นก็คือว่าให้เมตตาจิตเกิดจริงๆนะเรื่องบริกรรมทั้งหลายบางทีมันไม่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่มันอาจจะต้องต้องให้ตัวสภาพจิตที่เป็นเมตตาอย่างแท้จริงถึงจะเป็นไปได้เอาและสมควรแก่เวลาแล้ววันพุ่งนี้ก็จะมีท่านอาจารย์มหาสุรัสกับท่านกัโยมอาจารย์สุรพง์สองวันน่ยนะ บรรยายทมแล้วก็พาพวกเราประพฤติปฏิบัติกันแต่ตอนเย็นๆอ่นมาจะมาช่วยตอบปัญหาแบบนี้อมาจะมาตอนเย็นสองวัน